บทที่7นางเอิ้งวันพระเวลาบ่ายโมงพระเจริญกำลังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมอยู่ที่ศาลาหลังเก่า ที่เทวดาบอกแม่ชีก้อนทองว่าต่อไปจะถูกรื้อแล้วสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านเนื่องจากคน้นฤดูทำนาญาติโยมจึงมาเข้ากรรมาฐานกันมากขึ้นเดินจงกรมและนั่งภาวนาในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเป็นการสอบอารมณ์ซึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงจะซักถามอย่างละเอียดว่าผู้ปฏิบัติมีสภาวะธรรมอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเป็นต้นว่าอาการพองยุบชัดไหม ขณะนั่งมีเวทนาหรือไม่จิตตั้งมั่นหรือว่าซัดสายเป็นประการใดดังนี้เป็นต้นขณะที่ท่านกําลังสอบอารมณ์นางแต้มอยู่นั้นชายหญิงสูงอายุเดินเข้ามากับเด็กสาวรุ่นหน้าตาสะสวยพระเจริญคิดตรงกับญาติโยมว่าตากับยายพาหลานมาวัดคนทั้งสามเข้ามานั่งต่อหน้าสมภารแล้วกราบเรือนจางครับปิดสามครั้ง คนเป็นหลานสาวกราบได้สวยงามจนผู้ที่นั่งณที่นั้นผ่ากันชื่นชมในใจว่าตายายสอนหลานได้ดีเลือเกินกลั้นแล้วคนเป็นตาก็แนะนำตัวเองว่าผมชื่อในปุ่นอายุ78มากับภรรยาเก่าและภรรยาใหม่อ๋อนี่ภรรยาใหม่ห ร, อหรืออัตมาก็นึกว่าหลานสาวพระเจริญพูดขึ้นท่านคิดว่าสาวรุ่นผู้นี้เป็นหลานสาวในปุน เหมือนกับที่ยากโยมคิดฟังในปูนบอกกล่าวพวกญาติโยมผู้ชายพากันคิดในใจว่าลุงคนนี้เก่งเหลือเกินแก่แล้วยังได้สาวขบเพาะมาเป็นเมียแต่โยมผู้หญิงคิดว่าตะเท่าหัวงูแก่แล้วก็ยังไม่เจียมสังขารเอาเด็กข้าวหลานมาทำเมียไม่ใช่หลานสาวหรอกครับเขาเป็นเมียเก่าของผมอายุ15ส่วนเมียใหม่คือคนที่อายุ72 นายปุ่นชี้แจงคราวนี้ทั้งโยมชายโยมหญิงทั้งพระต่างคิดตรงกันว่าสงสัยแต่คนนี้เก๊กแก่จนหลงลืมถึงได้พูดจาเละเ ล, อเลือนเลื่อนเปื้นทั้งปานนั้นเสียงโยมผู้ชายถามขึ้นว่าลุงบอกใหม่สิคนไหนเมียเก่าคนไหนเมียใหม่กันแน่คนนี้เมียเก่าครับชื่อสะอ้งอายุสิบห้าส่วนเมียใหม่ชื่อทองคาอายุเจบสอง ในปุ่นยืนยันและชี้ตัวได้ตรงกับที่พูดทำไมเมียเก่าถึงเด็กกว่าเมียใหม่ล่ะโยมพร ะ, ะเจริญถามดูท่าทางในปุ่นคงไม่ได้พูดเล่นเป็นแน่ครับผมกำลังจะอธิบายให้ท่านสมพาน์ฟังอยู่พอดีแล้วเขาจึงอธิบายว่าแม่ส้ยิ่งเป็นภรรยาเก่าผมในชาติที่แล้วถ้าเขายังอยู่ก็อายุ75แต่เขาตายไปเมื่อปีสอง ก็36ปีมาแล้วเขาบอกไปตกนรกมา20สิปีแล้วมาเกิดใหม่ตอนนี้อายุ15ได้ฟังในปุนพูดเช่นนั้นทุกคนก็หูพึงเพราะอยากรู้เรื่องเมืองนรกมานานแล้วเสียงนางแต้มถามขึ้นว่าเมืองนรกมีจริงหรือหนูแล้วทำไมหนูถึงไปตกนรกล่ะเพราะหนูทำกรรมชั่วช้าลามกสิจนะชาติที่แล้วหนูเป็นคนใจบาปหยาบช้า ขี้ลักขี้ขโมยไปบ้านไหนต้องลักข้าวลักของเขาติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งแต่ไม่มีใครสงสยัยเพราะเห็นหนูเป็นเมียพี่ปุ่นพี่ปุ่นเขาก็ดีกับหนูเหลือเกินถ้าไม่ได้เขาช่วยหนูคงไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เร็วอย่างนี้พระยมบาลเขาคาดโทษไว้ว่าหนูจะต้องอยู่ในนรกถึงร้อยปีแต่เพราะพี่ปุ่นเขาช่วยจึงได้ไปตอนกแค่20ปี หล่อนเล่าความเป็นมาแล้วหันไปมองสามีในอดีตชาติและปัตจุปันชาติด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักใคร่และกะตันยูรู้คุณยอมผู้ชายนึกอิจฉาบุดุษสูงวัยที่สาวน้อยคราวหลานเรียกเขาพี่แทนที่จะเป็นตาหนูไปรักของอะไรเขาเข้าล่ะถึงได้ตกนรกตั้งร้อยปีพระเจริญถามรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะท่านเองสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ลักเงินยายเป็นประจำ ทั้งลักเงินด้านลักของเอาไปขายโกดใส่กระดูกปูย่าตาทวดท่านก็ขโมยไปขายเอากระดูกไปเททิ้งในแม่น้ำเจ้าพยาแล้วจะตกนรกไหมนี่ท่านยังกังขาลักของเขามากมายเลยจ้าหลวงพ่ออย่างเช่นบ้านไหนมีงานหนูก็จะไปช่วยงานแล้วก็จะลักพริกหอมกระเทียมใส่ชายพกกลับมาบ้านพี่ปุ่นเขาเป็นคนร่ารวยมีคนนับหน้าถือตา แล้วหนูก็เป็นเมียเขาจึงไม่มีใครสงสัยว่าหนูเป็นขโมยพี่ปุ่นเองก็ไม่รู้เขาเป็นสามีที่ดีมากคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้หนูต้องเจ็บช้ำน้ำใจไม่เคยมองหนูในแง่ร้ายจึงไม่รู้ว่าหนูนี่แหละขโมยตัวฉกาดช่างเป็นสามีที่ดีเหลือเกินจริงไหมจ้าพี่ทองคำหล่อนถามภรรยาคนใหม่วัยเจ็สิบสองของสามีจริงจ้าท่านสมพาน ไม่งั้นฉันคงไม่แต่งงานกับเขาพ่อแม่ฉันก็ไม่อยากให้แต่งงานกับพ่อแม่ลูกติดเมียเขาตายได้ห้าปีเขาจึงมาขอฉันแต่งงานมีลูกใหม่อีกห้าคนลูกเก่าสี่คนนางทองคำเล่าแค่รักพริกหอมกระเทียมก็ต้องตกนรกถึงร้อยปีเชรึกสมภารวัดป่ามะม่วงถามหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านเห็นจะต้องไปตกนรกนานกว่านางเสี่งเป็นแน่ มีมากกว่านั้นจ้หลวงพ่อหนูเป็นขโมยที่โชคดีมากคือลักของคนอื่นแต่ไม่มีใครสงสัยหนูก็เลยได้ใจทำความชั่วมากขึ้นคนที่โชคดีในการทำชั่วนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนโชคร้ายที่สุดอย่างเช่นครั้งหนึ่งหลานใจพี่ปุ่นเขาบวชหนูก็ไปช่วยงานเขาแล้วก็ไปลักทองบ้านงานมาเป็นสายสร้อยหนักสี่บาทซึ่งเขาเตรียมไว้ให้นาคใส่วันแห่รอบโบสถ์ ขอสร้อยคอหายคนเขาก็อนละเวงกันเพราะไม่มีอะไรจะให้นาคใส่หนูก็เลยไปโทษว่าหลานชายพี่ปุ่นขโมยไปเพราะหลานคนนั้นจนกว่าเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็เชื่อหนูพากันทุบตีหลานคนนั้นจนหัวร้างข้างแตกไม่มีใครรู้ว่าคนขโมยสร้อยคือหนูยิ่งไปกว่านั้นที่โยมบาลบอกว่าหนูบาปมากคือไปลักข้าวเขา ไม่มีผู้ใดสังเกตว่าพร ะ, จะเจริญสะดุ้งนิดนหนึ่งเมื่อนางสอิ่งเล่ามาถึงตอนนี้รักมากไหมคนเป็นพระถามสาวน้อยวัยบคือหนูไม่ได้รักเองหรอกจ่าหลวงพ่อแต่ใช้ลูกจ้างไปรักหนูมีลูกจ้างห้าคนมาจากภางอีสานมาช่วยทำนาได้ค่าจ้างคนละ20บบาทต่อปีสมัยนั้นข้าวเกวียนละ4ี่บาทจะ้ะหล่อนอธิบาย แล้วโยมปุ่นไม่รู้หรือท่านถามบุรุษวัย78บไม่รู้เลยครับท่านผมอยู่บ้านให้แม่ออิ้งเข้าไปเฝ้าโรงนากับลูกจ้างเขาขยันขันแข็งทำงานตัวเป็นเกลียวในความรู้สึกของผมเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งบุรุษวัย78กราบเรียนพี่ปุ่นไม่รู้หรอกจ้าหลวงพ่อเพราะหน้าเกี่ยวข้าวหนูจะเป็นคนไปคุมลูกจ้างอยู่ที่โรงนา นอนที่กระท่อมในนาเลยเพราะอยู่ไกลจากบ้านระหว่างที่อยู่นาก็จะใช้ลูกจ้างไปลักข้าวในนาของคนอื่นที่เขาเกี่ยวแล้วมัดเป็นฟ่อนๆเตรียมขนเข้าลานหนูทาอย่างนี้ทุกปีโดยไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะหนูไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงยิ่งเรื่องนรกสวรรค์หนูยิ่งไม่เชื่อใหญ่พอไปตกนรกถึงได้รู้ทีนี้ใครจะมาบอกว่านารกไม่มีหนูขอเถียงขาดใจเลย เพราะได้ไปอยู่มาแล้วถึงยี่สิบปีหนูเป็นอะไรตายละ่ะนางโถถามออกลูกตายจ้ะตายทั้งกรมตอนอายุส9สคือหนูมีลูกสี่คนอายุห่างกันคนละปีตอนท้องคนที่ห้านั้นคนโตอายุส6บหคนเล็กส3บสาหนูก็คิดว่าคงหมดแล้วจูจ่ๆก็ท้องขึ้นอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไง พอตั้งท้องลูกคนนี้มันรู้สึกใจคอไม่ดีเลยครั้นท้องแก่ก็ถึงหน้าเกี่ยวข้าวจึงออกไปอยู่โรงนาทั้งที่ใจคอไม่สบายมันมีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเอาทองมั่นไปด้วยตอนพี่ปุ่นเขามั่นหนูเขาซื้อทองสายสะพายหนักเส้นละแปดบาทให้สองเส้นหนูก็เอาไปไว้ที่โรงนาด้วยวันหนึ่งก็เกิดความกลัวว่าลูกจ้างห้าคนจะลักทองไป จึงจึงใช้ให้ลูกจ้างไปขโมยข้าวในนาคนอื่นแล้วหนูก็แอบนําทองไปฝังไว้ที่ต้นกระทุ่มคืนนั้นก็เกิดปวดท้องจะคลอดลูกก็ให้ลูกจ้างสองคนมาตามพี่ปุ่นไปโรงนาพี่ปุ่นเดินทางมายังไม่ทันถึงหนูก็ตายเสียก่อนตายปุ๊บ ก, ก็ไปเกิดในนรกเลยหรือพระเจริญถามจ้าหลวงพ่อหนูรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่พี่ปุ่นมาถึงแล้วก็ร้องไห้ หนูก็เห็นร่างของตัวเองนอนตายพร้อมกับลูกในท้องแล้วก็มีโย ม, มาบาลมาพาตัวไปหนูเห็นลูกจ้างช่วยกันหามศพหนูกลับบ้านพี่ปุ่นก็จัดงานศพให้อย่างดีช่วงที่หนูอยู่ในเมืองนรกนั้นพี่ปุ่นเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ปุ่นช่วยเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยว่าตอนชั้นตายนะ่ะพี่ทำอะไรบ้างสาวน้อยวัยสบ้าบอกสามีวัยบด ญาติโยมต่างฟังอย่างตั้งใจด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในปุ่นเล่าว่าผมก็คิดถึงเมียและลูกมากเพราะตอนนั้นลูกชายคนเล็กอายุสิบสามก็โตแล้วพอรู้ว่าจะได้ลูกเล็กๆอีกผมก็ดีใจในเมื่อมาตายทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนี้ผมก็เศร้าโศกเสียใจมากจึงทาปุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศกุศลไปให้เมียและลูกเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่ง นึกถึงความโศกเศร้าเสียใจเมื่อ36ปีก่อนแล้วจึงเล่าต่อเมื่อนวดข้าวเสร็จผมก็ขายไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมถวายวัดโดยนำไปกอบพระเจดีย์เข้าเปลือกแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่สะอิ่งทำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่หายคิดถึงลูกเมียตอนแต่งงานผมสร้างเรือนหอเป็นเรือนทรงไทยสองหลังติดกันแต่พอเขาตายผมก็ทนอยู่เรือนไทยไม่ได้ เพราะคิดถึงเขาเหลือเกินจึงย้ายมาอยู่เรือนปั้นหยาที่เคยอยู่กับพ่อแม่ต่อมาจึงรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายวัดและอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่หายโศกเศร้าจึงไปปรึกษากับสมภารวัดเพื่อจะขอบวชสักพรรษาหนึ่งก่อนแต่งงานกับแม่สี่งผมเคยบวชมาแล้วสามพรรษาทำวัดเช้าเย็นได้สวดปาฏิโมกได้แต่ไม่เคยจเจริญวิปัสสนากรรมาฐาน ศึกออกมาแต่งงานแล้วผมก็ทําวัดสวดมนต์ทุกวันแม่สีอิ่งเขาสวดไม่เป็นผมก็สวดเผื่อเขาเพราะรักเขามากเมื่อชาติที่แล้วหนูสวดมนต์ไม่เป็นหลักจใจหลวงพ่อโยโซภะควาก็สวดไม่ได้พี่ปุ่นเขาสวดทุกวันจนหนูรําคาญแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรเขาพอไปตกนรกต้องทําวัดสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระแล้วยมพบาลเขาก็ให้หนูเป็นคนนําด้วยก็เลยสวดเป็น ไปเป็นแนวที่เมืองนรกสาวน้อยเล่ายัางไม่มีปิดบังอัมพรางครับเดี๋ยวนี้แม่สีอิ่งเขาสวดมนต์เก่งเมื่อชาติที่แล้วเขาไม่เคยสวดมนต์เลยในปุ่นรับรองคําพูดของภรรยาเก่าแล้วสมภารท่านว่าอย่างไรบ้างโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นท่านก็แนะนําว่าไม่ต้องสวดปาติโมกแต่ให้ถือธุปดงควัตปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอยู่ในป่าช้า ฉันอาหารเวลาเดียวผมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดพรรษาและอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่เอิ่งออกพรรษาผมก็สึกใจคอสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในเวลาต่อมาพ่อผมก็ได้ไปสู่ขอแม่ทองคำให้มาเป็นภรรยาผมตอนแรกพ่อแม่เขาก็จะไม่ยอมยกให้แต่ในที่สุดพ่อผมก็พูดเกลี้ยกล่อมจนเขายอมตกลงผมก็เลยมีลูกกับแม่ทองคาอีกห้าคน เวลานี้โตเป็นผู้ใหญ่ออกย่าวออกเรือนกันไปหมดแล้วลูกชายคนโตซึ่งเกิดกับแม่สียอิ่งก็อายุ52แล้วครับแล้วในเมืองนรกเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะหนูสมภารวัดป่ามะม่วงถามภรยาเก่าของนายปุ่นหนูรู้หมดเลยจ้าหลวงพ่อพระยมบาลก็คอยบอกอยู่ตลอดเวลาเช่นตอนที่พี่ปุ่นนำข้าวเปลือกไปก่อพระเจดียมบาลเขาก็บอกหนูว่าเขาลดโทษให้20ปีเหลือ80ปี ตอนรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายเขาก็ลดให้อีก20ิปีเหลือ60ปียมบาลยังบอกอีกว่าตอนถวายกุฏิมีงานฉลองด้วยพี่ปุ่นจ้างหมอลำกับหนังตะลุงมาเล่นจริงอย่างที่ยมบาลพูดหรือเปล่าโยมพระเจริญถามจริงครับท่านแต่ตอนแรกผมไม่เชื่อคิดว่าเขาจะมาหลอกเอาสมบัติในปุ่นตอบเล่าต่อสิหนูฉันอยากฟัง นางแต้มบอกเด็กสาวหล่อนจึงเล่าว่าพอพี่ปุ่นบวชโยมพบาลก็บอกอีกว่าสามีเธอได้บวชในพระศาสนาและได้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานอันเป็นกุศลสูงสุดจึงลดโทษให้เธออีก40สปีที่เหลืออีก2ี่ปีนั้นอภัยให้ไม่ได้เพราะเธอมีโทษหนักสองประการคือ 1. ลักทองแล้วยนความผิดไปให้ผู้อื่น เป็นเหตุให้เขาต้องถูกทุบตีให้ได้รับทุกขเวทนาสองลักข้าวขโมยพระแม่โพศพบาปมากอภัยให้ไม่ได้คราวนี้คนเป็นพระรู้สึกเสียวาบเข้าไปถึงหัวใจเมื่อระลึกนึกถึงบาปกรรมที่ทาตอนเป็นเด็กท่านเก็บข้าวตกในนาแข่งกับนางเมาส์มารดาเด็กหญิงมะลิซึ่งตอนนั้นยังญาติ ด, ดีกันอยู่ท่านถามนางเมาส์ว่านะเก็บข้าวตกได้เวลาเท่าไหร่ วันละกะพีกแล้วเองล่ะนางเมาย้อนถามวันละสิบกว่าถังทำไมได้มากนะบอกค่ามังสิจะยากอะไรล่ะนะก็เอาไอ้ที่เขามัดไว้เป็นฟ้อนๆสิเอาใส่กระสอบเลยข้าไม่เอาหรอกรัวตกนรกรักพระแม่โพศพต้องตกนรกนรกมีที่ไหนกันล่ะนะอย่าเสื่อนักเลยยมบาลก็บอกว่าที่เหลืออีก2ี่สิปีหนูจะต้องชดใช้ อภัยให้อีกไม่ได้หนูจะต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นพอครบกำหนดโยมบาลก็บอกว่าถ้าไม่อยากมาตกนรกก็จงอย่า ก, ก่อกรรมทำชั่วและให้กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์20ปีเพื่อใช้หนี้พี่ปุณต้องให้สัญญาว่าจะปฏิบัติให้ได้สองข้อคือหนึ่งต้องรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ 2. ต้องสร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลังราคาหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกิน หากทำได้สองข้อนี้ก็ไม่ต้องกลับไปเมืองนรกอีกหนูก็ได้ให้สัญญาแล้วมาเกิดเป็นลูกเตี๋ยกับแม่บ้านหนูอยู่ห่างจากบ้านพี่ปุ่นราๆสองกิโลเมตรเตี๋ยกับแม่ของหนูแต่งงานกันมา15ปีไม่มีบุตรตอนหนูเกิดมานั้นเตี๋ยอายุห้แม่อายุ40่สิเขาก็ดีใจที่ได้ลูกหนูมาเกิดเป็นลูกคนจีนก็เลยผิวขาวหน้าตาอย่างนี้ชาติที่แล้วหนูผิวดํา หอมเกรงมีฝอเม็ดเบื้อเริ่มอยู่ที่ริมฝีปากยังมีรูปวาดอยู่ที่บ้านพี่ปุ่นซึ่งเขาใช้ช่างมาวาดในวันแต่งงานคนเรานี่ก็แปลกนะจ้าหลวงพ่อพอมาเกิดใหม่น่าจะรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนนั้ทั้งที่เป็นคนเดียวกันแต่ชาตินี้หนูก็ยังมีฝอยอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่เม็ดเล็กกว่าชาติที่แล้วหล่อนชี้ให้ดูฝอเม็ดเล็กๆ เ, เหนือริมฝีปากข้างซ้ายแล้วหนูระลึกชาติได้ตอนไหน นางแต้มอยากรู้ตอนอายุ11จ้ะหนูก็บอกเตี่ยกับแม่ว่าหนูคือนางเสี่ยิงเมียพี่ปุ่นหนูจะขอไปอยู่กับสามีเตี่ยกับแม่ก็ไม่เชื่อหนูก็เศร้าซีทุกวันเขาก็พยายามทําให้ลืมชาติที่แล้วโดยไปหาไข่หลงลังมาต้มให้กินหนูก็ไม่ยอมลืมอดีตชาติพระยมบาลสั่งมาว่าให้หนูมาใช้กรรมพี่ปุ่น พอหนูอายุสิบห้าเตียกับแม่ก็เลยพามาบ้านพี่ปุ่นหนูก็จำชื่อลูกสี่คนได้หมดพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อลูกคนโตเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาอายุห้าสิบสองหนูอายุสิบห้าจะเป็นแม่เขาได้อย่างไรนางทองคำซึ่งนั่งฟังอยู่นานจึงเอ่ยขึ้นว่าฉันเองก็ไม่เชื่อจ้ะไม่มีใครเชื่อเขาเลยยิ่งพี่ปุ่นนั้นเขาคิดว่าตะแปะกับเมียเสียมสอนลูกเพื่อจะมาเอาสมบัติ แต่แม่เซียงเขาก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้กระทั่งว่าวันที่ฉันแต่งงานกับพี่ปุ่นแล้วก็มีลูกห้าคนคนไหนเกิดปีอะไรเขาก็รู้ฉันก็ชักจังเลพ่อแม่เขาตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอโมยเล็กเขาก็ไม่ยอมรับบอกแต่ว่าเขาชื่อเซียงฉันกับพี่ปุนก็ไม่ยอมเชื่อแล้วทำไมตอนนี้ถึงยอมเชื่อล่ะพระเจริญถาม ที่ผมยอมเชื่อเขาก็เพราะสายสะพายสองเส้นที่เป็นของมั่นครับคือพอเขาถามหาทองมัน่นผมก็บอกไม่รู้ว่าแม่สไอ้งเขาเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเขาก็ถามว่าพี่ปูนโรงนายังอยู่ไหมผมบอกไม่อยู่แล้วส่วนนาก็ได้แบ่งให้ลูกๆเก้าคนไปหมดแล้วเขาก็ถามอีกว่าต้นกระทุ่มยังอยู่หรือเปล่าพอผมบอกว่ายังอยู่เขาก็บอกว่าเขาฝังมันไว้ที่นั่นเลยชวนกันไปพิสูจน์ ผมจ้างคนไปช่วยขุดสองคนก็พบทองอย่างที่แม่ไสอิ่งเขาบอกผมจึงยอมเชื่อเขาก็บอกกับพ่อแม่ให้กลับไปอยู่บ้านเขาจะขออยู่กับผมที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่ผมช่วยเขาพอดีแม่ทองคำภรรยาใหม่ของผมเขาก็ไม่ขัดข้องเขาเป็นภรรยาที่ดีมากครับท่านในปุญเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงถามนางทองคาว่า ถามจริงๆเธอโยมหึงบ้างหรือเปล่าเนี่ยแม้ท่านฉันน่ะแก่แล้วคนอายุปูนี้มานั่งหึงหวงกันมันก็ผิดธรรมชาติถ้าฉันยังสาวยังแท่ก็ว่าไปอย่างภรรยาใหม่ของนายปุ่นตอบแล้วนึกยังไงถึงมาวัดนี้ใครแนะนำมาอัตมายังไม่รู้เลยว่าโยมมาจากที่ไหนคุยกันมาตั้งนานนายปุ่นจึงตอบว่ามาจากปากน้าโพครับ คือบ้านผมอยู่ท่าตะโกพ่อแม่เสี่ยิงเข้ามาอยู่ด้วยเราสามคนคือผมแม่สี่ยิงและแม่ทองคําก็ปรึกษากันว่าจะไปสร้างกุฏิกรรมาฐานที่วัดไหนดีก็เลยพากันลงเรือล่องมาตามแม่น้ําเจ้าพยาล่องมาเรื่อยๆก็ไม่เจอวัดที่เขาจะสร้างกุฏิกรรมาฐานพอดีมาถึงอินบุรีก็พบผู้ชายคนหนึ่งชื่อหล่อเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ท่านอยู่วัดพรหมบุรี ท่านสอนกรรมฐานด้วยแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่วัดตามะ ม, ม่วงแล้วผมกับภรรยาก็เลยตามมานี่แหละครับ